ประชาธิปไตยจะดีได้ต้องไม่ทิ้งงานพัฒนาคนตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวะกะเมื่อค่ำวันที่28กันยายนพุทธศักราช2551ประชาธิปไตยเขาไปไม่รอดเพราะมันตกที่เรื่องง่ายๆที่สุดนี่แหละเลยไปยุ่งกับไอเรื่องยากยา ท่านยอมรับไม่ว่าไงท่านยอมรับไม่ว่าว่าที่จริงเป็นเรื่องง่ายๆโดยพื้นฐานมันง่ายแต่เพราะว่าประชาชนไม่พร้อมคล้ายๆอย่างนั้นน่ะมันก็เลยเกิดมีผู้ปกครองที่กลายไปว่าตอนแรกในปฐมกับเริ่มมีผู้ปกครองนั้นก็คนเลือกกันใช่ไหมต่อมาพวกคนเลือกเหล่านี้ไม่พร้อมและกลายเป็นว่าท่านผู้ปกครองก็เลยตั้งตัวเองเลยใช่ไหมตอนหลังๆนี่ก็สืบทอดกันมา เห็นว่าประชาชนทั่วไปไม่เพราะเอาทีนี้ถ้าไม่ตั้งตัวเองก็เอากลุ่มชนหนึ่งมาทำหน้าที่แทนถือว่าคนกลุ่มนี้มีสติปัญญาความสามารถส่วนคนทั่วไปนี่ไม่ได้เลือกก็เลยไม่ให้มีสิทธิ์ก็เลยเอากลุ่มชนกลุ่มน้อยนี่มาเลือกหรือมางานกรรมช่วยกันปกครองเลยเกิดมีการปกครองแบบต่างๆแต่ถ้าแบบแรกแบบเดิมมันก็คือมหาสมบทก็คือมหาชนนี่เลือกตั้งขึ้นมา ก็หมายความว่าการปกครองเดิมแท้มันก็ตรงไปตามความมุ่งหมายแท้จริงง่ายๆแต่เพราะว่าปัญหาของมนุษย์เนี่ยมันทาให้เกิดความซับซอ้อนขึ้นมาเกิดการปกครองระบบต่างๆมีทั้งสมบูรณาญาสิทธิร า, ราชาทิเบตไตคณาทิาเบตไตเผด็จการสาธารณรัฐประชาธิปไตยใน ต, ต่างๆว่ากันไปความมุ่งหมายก็อันเดียวกันแต่ว่า ถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้มันหนีไม่พ้นต้องพัฒนาประชาชนเพราะเราไปบอกให้ประชาชนเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองประชาชนเป็นผู้ปกครองประชาชนก็ต้องมีความสามารถที่จะปกครองกันเองหรือปกครองตนเองเริ่มแตตั้งแต่ปกครองตนเองได้ก็ไปปกครองกันเองได้อันนี้ก็ต้องพัฒนาประชาชนทีนี้เรามักจะมองข้าม พอนักการเมืองเข้ามามีโอกาสแล้วเข้ามาอยู่กลางก็ลืมจุดหมายนี้เรื่องของการพัฒนาประชาชนไม่ได้เอาใจใส่เราแทบไม่เอาใจใส่การพัฒนาประชาชนเลยนะพัฒนาคุณภาพที่แท้เนี่ยไม่ใช่พัฒนาเพียงความสามารถที่จะเป็นทรัพยากรที่จะมาเป็นกําลังในการผลิตพัฒนาได้แต่ทรัพยากรมนุษย์มาเป็นกําลังในการผลิตมันก็ได้แค่สนองความต้องการทางเศรษฐกิจเท่านั้นเอง เวลานี้เราคิดกค่แค่นั้นเราไม่ได้พัฒนานี่คุณภาพประชาชนที่เป็นส่วนร่วมในการปกครองประชาธิปไตยแล้วก็ไปเน้นเรื่องอย่างในโรงเรียนก็เน้นวิธีรูปแบบมาหาัดเลือกตั้งกันอะไรต่างๆใช้ได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมนะไอ้รูปแบบนี่มันไม่สำเร็จถ้าหากว่ามันไม่มีคุณภาพในตัวคน สติปัญญาความตระหนักรู้ก็ไม่มีเจตนามุ่งไปสู่จุดหมายนั้นก็ไม่มีนะมันก็ไปไม่รอดมาต้องเข้าให้ถึงว่าไอ้รูปแบบเรามีเพื่ออะไรรูปแบบมีหนึ่งเพื่อสนองจุดหมายที่เรารู้อยู่แล้วเราตระหนักรู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอันนี้เข้าใจกันดีแล้วแต่ถ้าเราไม่มีระบบวิธีไม่มีวินัยการจัดตั้งในการดำเนินการ จุดมุ่งหมายของเราที่ดีงามจะสําเร็จได้ยากเราก็มีระบบแบบแผนจัดตั้งขึ้นมาหนึ่งก็จัดตั้งระบบเรียกว่าวินัยนี้มาสนองจุดหมายของธรรมะธรรมะก็คือตัวหลักการความจริงคุณภาพคนเป็นต้นที่มีอยู่แล้วเป็นฐานเป็นตัวสภาวะที่เป็นจริงให้รูปแบบจัดตั้งเข้ามาสนองแล้วก็จัดปรับให้เหมาะในแต่ละยุคสมัยได้นีหนึ่งเอาวินัยการจัดตั้งระบบรูปแบบมาสนอง ตัวจุดหมายที่คนมีอยู่สองก็ระบบจัดตั้งเพื่อจัดให้เกื้อนหนุนให้คนพวกนี้พัฒนาไปสู่จุดหมายมันสองชั้นการจัดตั้งหรือระบบต่างๆเนี่ยมันมีความหมายสองชั้นทั้งว่าหนึ่งเป็นระบบวิธีการเพื่อจะได้ดำเนินการไปถึงจุดหมายที่มีอยู่แล้ว2ก็มาเป็นระบบจัดตั้งเพื่อจะจัดสภาพเอื้อ ให้คนที่อยู่กันเนี่ยได้พัฒนาตัวขึ้นไปสู่จุดหมายมันเป็นทั้งสองแบบวินัยที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นมาก็สนองทั้งสองอย่างวินัยหรือระบบจัดตั้งอะไรพวกนิติธรรมต่างๆเหล่านี้นะมันก็เลยต้องมองทั้งสามชั้นหนึ่งเนี่ยมันสนองธรรมะสนองธรรมะก็คือมันเป็นฐานให้แก่ธรรมะ สองมันก็มีธรรมะเป็นจุดหมายแล้วก็จัดตั้งเพื่อว่าให้คนได้เข้าสู่จุดหมายได้แล้วก็สามก็คือว่ามันต้องสอดคล้องกับหลักความจริงทายตัวระบบวิธีการจัดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามหลักเหตุปัจจัยในธรรมชาติเป็นต้นเนี่ยมันไปไม่รอดนะอันนี้คือตัวหลักสำคัญเลยวินัยต้องสอดคล้องกับธรรมต้งตั้งอยู่บนฐานของธรรมะ เราจะตั้งวิ น, นัยตั้งงระบบเนี่ยถ้าเราไม่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติความเป็นเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายเป็นยังไงไม่รู้จักสังคมมนุษย์ไม่รู้จักธรรมชาติของมนุษย์ไม่ขอใจว่าชีวิตคนมีเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมการจัดวางระบบสังคมเนี่ยไยไม่รอดมันก็ไม่ได้ดีจริงมันต้องเข้าใจความจริงก่อนพอเข้าใจความจริงแล้วไอ้ระบบที่ตั้งนี้ก็คือมาเป็นตัวสนอง สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในแง่ที่หนึ่งอันนี้คือแกนแท้เลยก็คือวินัยระบบจัดตั้งของมนุษย์เนี่ยจะเป็นระบบกฎหมายนิติธรรมมาเป็นระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องอยู่บนฐานของธรรมะก็คือต้องตั้งอยู่บนความจริงเช่นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ถูกต้องเป็นต้นเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จึงต้องมีปัญญามากก็มาเป็นเจา้าทฤษฎีไง แกก็พยายามเข้าถึงความจริงแล้วแกก็นึกว่าความจริงเป็นอย่างนี้ก็วางทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีก็คือเกิดจากความเข้าใจความจริงเท่าที่เขาสรุปทางพาเรียกว่าเป็นทิศทีหนึ่งทฤษฎีหนึ่งก็คือทิศทีหนึ่งเขาสรุปว่าเท่าที่เขาเห็นความจริงในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันสอดคล้องความเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ก็วางทฤษฎีเศรษฐกิจมาคนโน้นบอกไม่ถูกคนนี้เข้าไม่ถึงความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้ต้องวางทฤษฎีอย่างนี้จึงจะถูก นี่คือทฤษฎีต่ตางๆการเมืองก็แบบเดียวกันก็วางทฤษฎีการเมืองอะไรต่ตางๆแต่อย่างไงก็ตามเขาก็พยายามเข้าถึงตัวธรรมะคือความจริงอันเนี้ยแล้วถ้าจะให้ได้ตีจริงแท้ก็คือระบบวิธีการที่จัดในสังคมมนุษย์เนี่ยต้องสอดคล้องอยู่บนฐานก็ความจริงที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยยิ่งเข้าถึงธรรมชาติความจริงที่แท้ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีธรรมชาติความจริงของสิ่งทั้งหลายโดยทั่วไปหลักเหตุผลความเป็นเหตุเ ป, เ, หต เ, ปเป็นปัจจัย ธรรมชาติของมนุษย์ชีวิตมนุษย์มันเป็นยังไงความต้องการอะไรความสุขเขามันอยู่ที่ไหนเข้าใจาหมดอย่างเงี้ยการจัดวางระบบสังคมก็ยิ่งดีเพราะนั้นวินยัยการจัดตั้งกฎหมายนิติธรรมเป็นต้นก็ตั้งตั้งอยู่บนฐานก็ธรรมะถูกต้องตามธรรมะแล้วก็สองก็งมาจัดตั้งเพื่อว่าจุดหมายก็ธรรมะก็คือเราต้องการประโยชน์สุขของประชาชนต้องการให้ประชาชนได้เข้าถึงโลกุตรธรรม ความดีงามสูงสุดี่เข้าถึงความสุขที่เป็นอิสระอะไรต่ออะไรอ้าววินัยก็มาจัดตั้งเป็นสนองจุดหมายนี้จัดระบบสังคมสภาพแวดล้อมมันเอือ้อต่อการที่คนจะได้พัฒนาตนเข้าไปถึงจุดหมายนี้อ้าวอันนี้ก็สนองจุดหมายทีนี้พอวางตั้งไปแล้วไอ้วินัยกลับมาเป็นฐานมาเป็นฐานให้ธรรมะตั้งอยู่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีวินยัยไม่มีระบบนิยธรรมเป็นต้นเป็นฐานธรรมะก็มันมีที่ตั้งในสังคมมนุษย์ ก็เลยมีฐานมากำกับเป็นกรอบเป็นอะไรแต่อะไรให้ช่วยมนุษย์เนี่ยต้องอยู่ในกติกาอยู่ในกรอบอยู่ในแนวทางที่จะเดินไปถึงจุดหมายจุดหมายที่แท้ก็คือเรื่องของธรรมะนั่นเองเลองก็เนี่ยสองอันเนี่ยธรรมะกะวิห น, นัยังไมนอยู่เท่านี้แหละครับไม่ว่าจะจัดวางระบบชฤษิีสการเมืองการปกครองเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาอย่างไงก็เนี่ยก็อยู่แค่ธรรมะกะวิหนยหนึ่งความจริง ของชีวิตของธรรมชาติของมนุษย์ของสังคมอะไรก็แล้วแต่ความจริงที่มันเป็นไปตามธรรมชาติความจริงความจริงตามที่มันเป็นเนี่ยทำไงจะเข้าถึงความจริงสองเมื่อเรารู้เข้าใจความจริงได้เท่าไหร่เราก็ใช้ความสามารถที่จะมาจัดตั้งวางระบบเพื่อสนองตัวธรรมะไอ้ความจริงอันเนี้ยให้มันสอดคล้องกันต้องกวนยายอีกชั้นหนึ่งถ้าเป็นพระปัจเจกบุตรเจ้าก็เข้าถึงความจริงของธรรมชาติความจริง ของชีวิตของอะไรก็แล้วแต่ความเป็นเหตุป็จจลยเข้าใจแต่ขาดปัญญาความสามารถที่จะเอาความจริงนี้มาจัดตั้งวางระบบเพื่อให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากความจริงนั้นก็เลยเป็นปัจเจกของพุทธเจ้าถ้าทั้งเข้าถึงความจริงของธรรมชาติหมดแล้วบนฐานของความจริงนั้นมาจัดตั้งวางรูประบบแบบแผนกติกาอะไรเป็นต้นนิติธรรมเป็นต้นในสังคมมนุษย์เนี่ย ให้มันสอดคล้องให้ได้ผลตามหลักความจริงอันนี้ด้วยก็เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพทธเจ้าได้สองอันนี้จึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องฉลาดสองชั้นนะืนี่คือหลักการทั่วไปเลยมนุษย์ในสงงังคมปัจจุบันก็ต้องเก่งสองชั้นนี้อย่างพระพุทธเจ้านี่แหละหนึ่งต้องเข้าถึงความจริงใช่ไหม มันต้องศึกษาต้องพัฒนาปัญญาเป็นหลักเลยแล้วพัฒนาคุณสมบัติอื่นมีความจริงใจบริสุทธิ์ใจเป็นต้นเนี่ยมีเจตนาที่ดีจิตใจก็มีเจตนาดีแต่จิตใจเจตนาดีนี่ไม่แน่ใช่ไหมรู้เท่าไม่ถึงการกับพลาดอีกะนั้นเจตนาดีไม่พอปัญญาต้องท่องแท้ชัดเจนเพราะนั้นคนที่จะมาเป็นนักปกครองอา้าวเรื่อง ง, ง่ายๆแต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายนัก คัดคนกันนะหนึ่งมีปัญญาที่เข้าถึงความจริงให้มากที่สุดสองจะมาเป็นองค์กรนิติบัญญัติสภานี่ต้องมีความสามารถในการที่จะจัดตั้งวางระเบียบกฎกติกาสังคมนิติธรรมอะไรแต่อนะไรนี่ให้สอดคล้องกับความจริงนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจความจริงของสังคมนี้ไม่เข้าใจไม่รู้ความต้องการของชีวิตมนุษย์เป็นต้น และจะวางกฎหมายได้ดีไหมครับไปไม่รอดจะเอาแต่รูปแบบเท่า น, นั้นเองเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะใช่ไหมไอ้เรื่องง่ายนะมันก็กลายเป็นเรื่องยากพออย่างนี้แต่ทีนี้เวลานี้คนมันทําให้เรื่องนอนซับซ้อนเลยยากผิดทางไอ้ยากถูกทางมันยังพอช่วยกันพัฒนาคนนี่มันยากซับซ้อนมันเรื่องนอกเรื่องเข้ามากี่ขวางทางของความถูกต้องความจริงมันเลยทําไม่ได้ไปกันใหญ่เลย นี่มันกลายเป็นสร้างอุปสรรคขวางกั้นสองชั้นหนึ่งคือตัวหลักการใหญ่ที่มันง่ายมันมีอยู่แล้วการที่จะทําให้บรรลุผลอย่างนั้นเนี่ยพัฒนามนุษย์ทั้งประชาชนให้รู้ตระหนักในะจุดหมายของการปกครองแล้วมีสติปัญญาที่จะรู้จักเลือกคนอไอความมุ่งหมายจุดหมายนะั่ง่ายแต่พ่าเวลาทำนี่ยากเหมือนกัน เสร็จแล้วคับคนที่จะมาเสนอตัวเข้าไปทําหน้าทีน่นี้ก็ต้องมีความตระหนักรู้และมีเจตนาที่บริสุทธิ์เจตจานงที่มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วแน่นอนและยังมีคุณสมบัติในแง่ความสามารถที่จะทําให้สําเร็จตามจุดมุ่งหมายนั้นด้วยแค่นี้ก็ทําไม่ใช่ง่ายเลยใช่ไหมและแต่ล้วตอนนี้สังคมกลับมาสร้างอาุปสรรคอะไรต่ออะไรความหวาดระแวงอะไรต่ออะไรกัน การที่มาสร้างภัยอันตรายแก่การความไม่ปลอดภัยการเมืองเลยไม่มั่นคงก็เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยทางการเมืองเป็น politician insecurity เลยไม่มั่นคงปลอดภัยทางการเมืองเลยการเมืองก็วันไหวหมดและจะไปได้ยังไงล่ะครับตอนนี้มันมีแต่อินเสคเคอรริตี้ทั่วไปหมดเลยการเมืองการปกครองก็ไม่มั่นคง แค่นี้มันก็ทําไม่ได้แล้วจะไปยังไงล่ะนั่นเราก็ไม่ว่าใครแล้วเราว่ารวมๆอะ่ะขอภัยอันไหนที่ว่ามันก็ขอแก้เป็นเขาหรือเป็นเราเนี่ยบางทีมันเผลอไปก็ควจะพูดวาจาที่สุภาพอ่อนหวา น, านขอนแจ้งหลว่ากลับไปที่หลักการแรกที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ว่าเราจะต้องสร้างสังคมที่ให้เป็นธรรมอาธิรรตปไตยเนี่ยโดยการให้ความรู้กับประชา ช, าชนในเรื่องการปกครองกันนี่ย จะถามว่าแล้วตรงนี้นคือขั้นต้นเนี่ยตรงไปตรงมาครับมันก็เหมือนกันรู้กันอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เอามาย้ำ ม, มาตระหนักความตระหนักรู้เท่านั้นเองว่าเรามีการปกครองประชาธิปไตยเพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของส่วนรวมของคนทั้งประเทศใช่ไหมใถ้าอยู่กันล่มเย็นเป็นสุขก็อธิบายไปสีมีสันติสุขมีอะไรก็ว่าไปรพระเทพหลวงพ่อว่าแล้วใครจะเป็นคน ขึ้นมาให้ความรู้ตรงเนี้ยเราดูวิธีาก็พนี่แหละขึ้นมาให้ความรู้ก็พระเองก็ยังไม่พูดใช่ไหมน่าจะพูดก็ไม่พูดน่าจะรู้บาทีก็ไม่รู้ใช่ไหมพระเนี่ยช่วยได้มากเพราะกระจายอยู่ทั่ประเทศเลยบอกชาวบ้านว่าเนี่ยเรามีการปกครองประชาธิปไตยไม่ว่าการปกครองไหนหรอกการปกครองไหนๆความมุ่งหมายที่แท้ก็เหมือนปฐมกับอ่ะก็เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมประชาชนร่วมกันน่ะใช่ไหมตั้งมหาสมุทเพื่ออะไรครับ ก็ประชาชนที่อยู่ร่วมกันก็เขามีกรณีวิพากษ์ทะเลาะกันทําไงจะอยู่ร่วมกันดีประโยชน์สุขสนรวมอยู่กันในสันติใช่ไหมมีปัญหาพิพากก็แก้ได้ก็จึงได้เกิดการปกครองขึ้นมาการปกครองก็แค่นี้แหละก็ไปเล่าเรื่องมหาสมุทรท้าติโยฟังเข้าใจง่ายดีกับไปเล่าทฤษฎีการเมืองปัจจุบันจริงไหม อเอาไปเล่าเรื่องเนี่ยในพระตรปิฎกเรื่องปฐม ก, กับตอนที่เขาเริ่มตั้งพระราชามหาชนะสมมติเรียกสันส้นๆมหาสมมติเป็นกษัตริย์เป็นขัตติยะเป็นราชาเนี่ยเกิดขึ้นมายังไงก็เท่านี้แหละโยมแล้วเดี๋ยวนี้มันก็อย่างนี้ทีนี้ว่าเดี๋ยวนี้มันสังคมมันใหญ่และอะไรแต่อะไรมันก็ซับซ้อนขึ้นมากใกล้โยมรู้ว่าตอนเนี้ยนะ การปกครองก็ยังอยู่เพื่อจุดหมายอันเดียวกันเดิมนี่แหละเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนร่วมกันนี่ว่าแต่ก่อนนี่เราไปมอบให้คนผู้เดียวครับปกครองต่อมาก็มีการปกครองแบบน้นแบบนี้ก็คืออันไหนมาก็ที่จริงก็เพื่อจุดหมายเดียวกันเนี่ยว่าทายังไงจะให้ประโยชน์สุขประชาชนมันเกิดขึ้นได้บรรลุจุดหมายนีย่ใช่ไหมบอกว่าเอาราชาองค์เดียวทาบางทีมันเขวเกเปนออกนอกทางไป ไม่บรรลุ ป, ประโยชน์สุขของประชาชนทำเพื่อตัวเองเป็นชนีเอาก็เลยเปลี่ยนเป็นระบบการปกครองนี้จนกระทั่งในที่สุดก็เหมือนกับไอการปกครองรูปแบบต่างๆนี้เป็นวิธีการเท่านั้นจุดหมายอันเดียวกันจุดหมายของการปกรครองทุกอันคือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนร่วมกันแล้วก็มีรูปแบบวิธีการปกครองต่างๆเป็นพระราชาองค์เดียวเป็นสมบูรณ์ญาติสิทธิาราชอาณาจักรเป็นเผด็จการเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็เพื่อจุดหมายอันนี้วิธีการไหนดีที่สุดที่จะให้บรรลุจุดหมายนี้เรามาตกลงกันบอกประชาธิปไตยดีที่สุดประชาธิปไตยก็ในแง่ทั่วไปก็เหมือนกับเป็นวิธีการวิธีการปกครองรูปแบบการปกครองเพื่อสนองจุดหมายอันเดียวอันเดิมมาและเราบอกว่าด้วยรูปแบบระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยเนี่ยเราจะบรรลุ จ, จุดหมายให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขมีหวังสําเร็จได้ดีที่สุด ตอนนี้มันกลับจะหมดหวังก็แย่สิบอกว่าไม่ได้แล้วพวกคุณเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเราชาวบ้านเองเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าที่จริงเขามีการปกครองเขาเพื่อจุดหมายเนี่ยให้ประชาชนนะไม่ใช่ตัวคุณนะแต่หมายถึงประชาชนทั้งหมดก็คือเราทุกคนร่วมกันนะเดี๋ยวนี้ก็มักจะเข้าใจผิดอีกอ้างตัวแต่ละคนเป็นประชาชนส่นนตัวเองถ้าพูดให้ถูกก็ตัวเองแต่ละคนนั่ก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนใช่ไหม เป็นประชาชนส่วนหนึ่งเหมือนกับเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เราเป็นธรรมชาติทั้งหมดถูกไหมเราเป็นประชาชนคนเดียวได้ที่ไหนอ่ะอ่มันก็ประกอบกันเข้าเป็นประชาชนทีนี้เอาตัวฉันเป็นประชาชนไปแล้วบางทีก็อ้างผิดแต่ฉันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนเป็นส่วนร่วมเอาแล้วทีนี้เราก็เข้าใจตีการปกครองประชาธนปไตยเนี่ยก็เ ข, เข้าใจกันว่า เราก็มาตกหล่นว่าเป็นรูปแบบระบบวิธีการปก ค, ครองที่ดีที่สุดที่จะให้บรรลุจุดหมายของการปก ค, ครองคือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั้นเราก็ต้องให้การปก ค, ครองอันนี้ที่เรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันสําเร็จจุดมุ่งหมายนี้ให้ได้ถ้ามันไม่สําเร็จแล้วก็ถือว่าใช้ไม่ได้ถูกไหมจะเป็นประชาธิปไตยจะจัดรูปแบบยังไงก็ตามมันไม่ได้ประโยชน์สุขของประชาชนมันใช่ไม่ได้จริงไ คุณจะจัดสวยหรูยังไงก็ตามไม่ได้เรื่องจริงไหมจริงก็มันอยู่ที่ทำให้สำเร็จประโยชน์สุขของประชาชนแต่ก็ต้องตีกลับมาที่ประชาชนคือก็เป็นประชาธิปไตยระยะยาวเนี่ยประชาชนก็คือเขาบอกแล้วคุณเป็นผู้ปกครองเองเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอ้าวประชาชนทำไงประชาชนแทนที่จะปกครองเองก็มีตัวแทนเข้ามา แล้วคุณจะได้ตัวแทนที่มันดียังไงคุณก็ต้องรู้มีปัญญารู้จุดหมายการปกครองแล้วรู้ว่าใครมีเจตนาบริสุทธิ์จะไปทําเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจริงมีความสามารถทําได้อย่างนี้ไหมก็พิจารณาสิแค่นี้ก็ให้มันตรงจุดก่อนแค่ให้ตรงจุดก็ยังทําไม่ได้เลยเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังทําไม่ได้แล้วจะไปไหนแล้วครับมันก็เขวไปนอกเรื่องนองราก็ต้องบอกว่ายุ่ม ประชาธิปไตยมันเรื่องง่ายๆแต่ว่าเดียวนี้ทําให้มันยากสมบูรณ์แล้มันก็เลยยุ่งยากซับซ้อนไม่เข้าเรื่องอ้าวท่านมีอะไรถามมาถามนะเอ่เจะเรียนถามท่านว่าในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยอมียุคไหนไหมที่ประชาชนมีความสุขที่สุดและเป็นอาจจะเป็นแบบอย่างสําหรับยุคนี้แม่เราก็ไม่ได้ไปอยู่มก็ยากเนาะไม่ได้มีประสบการณ์ตรงแต่ว่า เราก็ได้แต่เอกสารเช่นประวัติศาสตร์บอกว่ากรุงสุขโขทัยนี้ดีเอ้ในนั้นบอกนี่ไพ่ฟ้าน่าใสอย่างนี้เป็นต้นเออถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็พูดได้ไปเงื่อนไขบอกถ้าเป็นตามที่มีบันทึกจารึกมาในประวัติศาสตร์ว่าอย่างนี้จริงก็แสดงว่ายุคสุขโขทัยนี้ดีใช่ไหมใครจำได้มั้งข้อความทั้งหมดอมาถึงไพ่ฟ้าน่าใส <S <S เออมาตั้งแต่ครั้งนั้นใช่ไหม ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแคอะไรใครไข่ขาไข่ไข่ขาช้างขาใครไข่ขาดมาขาแล้วก็ไปถึงอะไรไพ่ฟ้าน่าใสแล้วก็มีระคังแขวนไว้ใครอะไรนะใข่ไเดี๋ยวนี้ไข่ปวดท้องปวดหัวไปตีระคังนั่นแหละครับถ้าตามจารึกมานี่ก็สมัยสุโขทัยก็น่าจะดีที่สุด ถ้าเป็นจริงตามที่จารึกไว้ผู้ปกครองสมัยนั้นแม้จะไม่เป็นประชาธิปไตยแต่เพราะคําหนึ่งคือประโยชน์สุขของประชาชนก็มุ่งไปที่นั่นก็ทําให้สําเร็จเพราะฉะนั้นแม้แต่ที่เรียกว่าเผด็จการถ้าเขามีเจตนาบริุทธิ์จริงแล้วก็ไม่ตกอยู่ใต้อํา น, านาจตัณหามนตทิติเนี่ยเขาก็สามารถทําให้มีการปกครองที่ดีเหมือนพระเจ้าโสดก็ต้องถือว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราช แต่ว่าท่านไม่มีและการที่จะเอาเพื่ตัวเองก็เพราะว่าเลิกแล้วตอนนั้นตอนก่อนนี่ต้องการอํานาจยิ่งใหญ่จะเป็นกษัตริย์ผู้เดียวในจักรวรรดิเว็บเลยทำนองนัน้นต่อมาก็เลิกเลยไม่เอาแล้ววิธีการนี้ไม่ถูกเศร้าใจที่เห็นประชาชนล้มตายก็เลยเกิดเหมือนปมในพัทยาจะต้องแก้ เปลี่ยนไปว่าเออเขเห็นหลักพุทธศาสนาตอนนี้ต้องทําเพื่อให้ประชาชนมีความสุขทําไงจะให้ประชาชนมีความสุขทั่วกันได้ฉันเอาอันนั้นตอนนี้แหละครับถ้าผู้ปกครองมีความคิดอันนี้ขึ้นมานะดีไหมครับคิดอย่างเดียวเลยนั่งนอนคิดอย่างเดียวทําไงจะให้ประชาชนมีความสุขพระเจ้าโศกท่านคิดอย่างนั้นอย่างเดียวเนี่ยตามจารึกนี่บอกว่า ใครมีเรื่องเดือดร้อนให้พวกอํามาต์อัมเมต์เข้ามาแจ้งเพราะพระองค์อยากจะให้ประชาชนมีความสุขใจอยู่กับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับใจอยู่ที่ประโยชน์สูงของประชาชนใจอยู่ที่ว่าประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนต้องรีบแก้ไขเข้าถึงได้เลยบอกได้เลยจะไปแก้ปัญหาให้ทำไงจะให้มีความสุขได้คิดใจคิดอยู่แต่อย่างเนี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงลรอ ถ้าคุณภาพของผู้ปกครองเป็นอย่างนี้หนึ่งเจตนาดีจิตใจมุ่งดีเจตนาบริสุทธิ์ต้องการเพื่อจุดหมายของการปกครองแท้สองท่านมีความสามารถอยู่แล้วไม่ต้องห่วงต่อจากนั้นก็เลยไม่ต้องถามอะไรพระเจ้าโสดคิดแต่ว่าทำไงจะให้ประชาชนอยู่เป็นสุขสร้างถนนหนทางเป็นการใหญ่สร้างวัดคือสถานศึกษาศูนย์การศึกษาวัดก็คือศูนย์การศึกษาสมัยนั้นวัดเป็นศูนย์กาการศึกษาของมวลชน ก็เลยสร้างวัด 8.4 สี่พันวัดศูนย์กลางการสราประชาชนมีทั้งภิกษุภิกษุณีให้การศึกษ า, าทั้งชายหญิงหมดแล้วก็สร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลคนไม่พอสร้างโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะแล้วก็ในถิ่นนั้นขาดแคลนยาสมุนไพรอะไรให้เที่ยวไปหามาแล้วก็บนถนนสร้างไปแล้วถนนนั้นทุกระยะเท่านี้ต้องสร้างศาลาพักคนเดินทางอีก และสร้างพวกแหล่งน้ำกษัตย์ในรังกายยังเอามาเป็นตัวแบบเนขุดพวกอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆขึ้นมาเพื่อบำรุงความสุขพองประชาชนพระเจ้าโศกก็ขุดอ่างเก็บน้ำแล้วก็ในที่ที่ศาลาเดินทางก็ทำไอ้ที่แหล่งน้ำที่จะให้คนมีกินมีใช้อยู่เป็นสุขเดินทางได้สะดวกแล้วก็ให้พระแนะนำสั่งสอนประชาชน แล้วก็ให้ประชาชนนั้นมีการปกครองตามแนวนโยบายที่ถูกต้องตามธรรมะก็สมัยนั้นไม่มีไอ้พวกสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้ก็ทำศิาาลาจารึกบอกที่ไหนมีแผ่นศิลาโคดหินอะไรแต่ไรให้เอาข้อความเนี้ไปเขียนไว้แล้วก็ให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าปกครองในถิ่นนั้นมาอ่านเอาไปบอก เวลาประชุมวันอุโบสถก็เอาข้อความนี้ไปบอกแก่ประชาชนไปอธิบายเขาฟังผู้ปกครองในท้องถิน่นนอกจากวาสนองนโยบายเกี่ยวกับธรรมะของศูนย์กลางการปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วในนโยบายการปกครองนั้นก็สั่งสอนธรรมะไปด้วยเพบอกควรจะอยู่กันยังไงพ่อแม่ครูอาจารย์กาชาบ้ายกาถากรรมกรในนั้นจะเอาใจใส่ธาตกรรมกรมากคนรับใช้คนนานเนี่ยต้องให้เขาอยู่เป็นสุข นอกจากนั้นอะไรล่ะก็สอนหลักธรรมคุณธรรมความดีอะไรต่างๆที่ควรจะมีในจิตใจแล้วก็สิ่งที่ควรจะเอาไปบอกกับลูกบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เลยกลายไปว่าหัวหน้าชุมชนผู้ปกครองก็นาหน้าที่ทางการศึกษาไปด้วยนพัฒนาประชาชนก็เลยพูดเรื่อยไปมีอะไรถามไหมครับ ทางญาติโยมมีอะไรถามไหมพอเห็นนะเนี่ยในที่สุดนี้ไม่พ้นต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนและนโยบายของรัฐทุกสมัยจะต้องเน้นจุดนี้ว่าเราจะมีวิธีการยังไงจะพัฒนาคุณภาพประชาชนขึ้นมาเพราะเขาจะต้องเป็นผู้ปกครองประเทศและเขาจะเป็นผู้เลือกพวกเรามาแล้วทําไงจะได้พวกเราที่ดีๆต่อไปถ้าพวกเรารุ่นนี้ดี แล้วมีหลักประกันอะไรที่จะได้ผู้ปกครองรุ่นหน้าดีเอา้าเราก็ต้องมีประชาชนที่เป็นผู้เลือกตั้งที่ดีใช่ไหถ้าประชาชนมีคุณภาพดีแล้วตระหนักในจุดหมายของการปกครองใช้สติปัญญาเที่ยงตรงแล้วก็มาเลือกตั้งดีก็สบายนิมนต์นะการพัฒนาคุณภาพประชาชนนะครับทีนี้ประชาชนเองที่ส่วนใหญ่ใน แต่จังหวัดเนี่ยก็ยังมีความยากจนอยู่ครับนะครับทีนี้การพัฒนาประชาชนต้องพัฒนาความเป็นอยู่ฐานะความเป็นอยู่กับการศึกษาเนี่ยควรจะพัฒนาไปพร้อมกันหรือควรจะพัฒนาอย่างไรก่อนครับครอ๋อแน่นอนเลยเศรษ ฐ, ฐกิจนี่พระเจ้าถือสําคัญมากพระจะไปปฏิบัติแม้แต่จเจริญสมาธิต้องมีส ป, ปายะเจ็ดพึงมีใช่ไหม แล้วก็อันนั้นอันหนึ่งโภชนะสับปายะหรือบางทีก็เรียกอาหารรสสับปายะมีอาหารเป็นที่สับปายะอาหารโภชนะเป็นที่เกื้อกูลแต่ว่าให้มันเป็นปัจจัยนะอย่าเป็นจุดหมายเดี๋ยวจะไปเพลินว่าเราอยู่เพื่อจะได้กินสบายใช่ไหมแต่ว่าเอาอาหารนั้มาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนทีนี้ถ้าเรามองถูกเราก็ต้องจัดให้ด้านเศรษฐกิจนี่มาเป็นปัจจัย ให้เขาเพียงพอนั่นเองอ้าวในหลวงกขาตรัสเศรษฐกิจพอเพียงคือพอเพียงนี่เดี๋ยวต้องทําความเข้าใจนะพอเพียงมันมีหลายความหมายเอาเอาที่หนึ่งก่อนพวกที่หนึ่งพวกไม่รู้จักพอเนีอันนั้นเราไม่เอาแย่ yeah, เลยพวกไม่รู้จักพอพวกที่สองก็พอไม่เป็นไม่รู้จักพอพวกที่สองนี่ก็ไม่รู้จักว่าพอมันเป็นยังไงก็ไม่รู้จักพอ ความไม่รู้จักพอเนี่ยมันมีสองแบบพวกที่หนึ่งก็คือไม่รู้จักพอก็เท่าไรเท่าไรก็ไม่พอพวกที่สองนี่ไม่รู้จักพอก็หมายความไม่รู้จักว่าไอ้ความพอเพียงเป็นยังไงมันก็เลยสักแต่ว่าพอพอเพียงก็คือพอเพียงให้มีชีวิตอยู่ได้รอดพอเป็นอยู่ได้ไม่ตายพวกนี้ไปไม่รอดเหมือนกันนะพอเพียงพอเป็นอยู่ให้ชีวิตรอดได้ พอมันอยู่ได้มันก็พวกนี้ก็ขี้เกียจแล้วไม่ทำอะไรแล้วตกอยู่ในความประมาทพอเพียงมันต้องเข้าสนองหลักธรรมเป๊ะเลยหลักธรรมพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตคุณจะต้องพัฒนาชีวิตเจริญใจศกขาหรืออย่างน้อยเจริญทานศีลภาวนาให้ชีวิตเจริญงอก ง, งามขึ้นไปเศรษฐกิจพอเพียงมันพอเพียงเพื่ออะไรมันไม่ใช่พอเฉย ไม่ใช่พอเพียงเพื่อมีชีวิตยอยู่ได้เท่านั้นพอเพียงเพื่อสนองจุดหมายของชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีต้องการอะไรชีวิตที่มีการพัฒนาต่อไปใช่ไหมจเจริญศีลเจริญจิตจเจริญปัญญามันก็กว้างออกไปมีชีวิตดีงามมีสังคมที่ดีมีวัฒนธรรมมีการจเจริญสติปัญญามีการที่พัฒนา ชีวิตพัฒนาสติปัญญาการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยไม่ใช่มาเสพบริโภคเป็นจุดหมายไงเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่เอาอการฟุงฟ้งเฟ้อบำรุงบําเรือบริโภคนิยมเอาการเสพหาความสุขเป็นจุดหมายแต่ว่าเอาจุดหมายที่ดีงามของชีวิตอันนี้มันจะมีขอบเขตถ้าให้พอเพียงพเพื่เศษเนี่ยมันไม่รู้จักพอหรอกใช่ไหมมันไม่มีขอบเขตแต่ว่าพอเพียงเพื่อจุดหมายที่ดีของชีวิตตอนเนี้ยมันมีเลยแค่ไหนพอ พอเพียงก็จึงเป็นความพอดีไงว่าเท่าไรจะพอดีที่จะให้บรรลุจุดหมายนี้เราก็มีว่าเออข้าหลักพุทธศาสนาบอกเศรษฐกิจเป็นปัจจัยมันไม่ใช่จุดหมายเรามีเศรษฐกิจพังพร้อมเพื่อเป็นปัจจัยเพื่อว่าได้สนองจุดหมายมันเกื้อกูลที่เราจะก้าวหน้าไปในจุดหมายของชีวิตที่ดีงามสังคมที่ดีเป็นยังไงก็มาคิดกันดูสิครับชีวิตดีด จะต้องมีการศึกษามีเจริญสติปัญญาพัฒนาคุณธรรมความดีสังคมจะต้องมีวัฒนธรรมที่ดีงามมีอะไรดีๆๆๆว่ากัดไปเนี่ยต้องมาใช้ความคิดใช้ปัญญาแล้วไม่ใช่โมเสพไม่ใช่หากินหาเสพเอาตั้งจุดหมายที่ดีแล้วก็ดูเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองอันนี้ถ้ามันไม่สนองจุดหมายนี้มันก็ไม่พอเพียงสิใช่ไหมนี่แหละครับเศรษฐกิจที่พอเพียงที่แท้ แล้วมันพอเพียงมันก็พอดีที่จะให้บรรลุจุดหมายนี้เหมือนกันเราจะฉันข้าวมันก็พอเพียงพอดีเหมือนกันนะตั้งแต่ปฏิสังขาโยตั้งแต่แตละวันเนี่ยฉันให้พอดีพอเพียงพอเพียงแค่ตามความต้องการของชีวิตปฏิสังขาโยเพื่ออะไรล่ะบอกเสร็จหละแล้วพอฉันแค่นั้นพอให้ร่างกายดีมีสุขภาพแข็งแรงถูกไหมมันก็พอดีแต่ฉันแค่นั้นใช่ไหมมันไม่เกิดพอดี พอดีที่จะให้สนองความต้องการของร่างกายที่จะมีชีวิตอยู่ได้มีสุขภาพดีแข็งแรงพอดีแค่นั้นแหละมีเศรษฐกิจพอเพียงพอดีตั้งแต่เริ่มในชีวิตประจําวันแล้วพอดีร่างกายแข็งแรงจะไดเอาร่างกายนี้ไปศึกษาเล่าเรียนอะไรต่ออะไรไปมองกว้างไปเศรษฐกิจที่พอเพียงก็พอดีเพื่อใช้บรรลุจุดหมายที่ดีงามเหล่านี้เข้าแนวเปียบไปเลยเอาละครับทีนี้เราก็ต้องไปทําเศรษฐกิจพอเพียงในชนบท ทีนี้ถ้าเราไม่ไปมุ่งบริโภคนิยมให้ประชาชนมุ่งแต่ไปเจเส บ, บริโภคหายตัวกินอยู่จะได้มีความสุขมีพรั่งพร้อมเพื่อจะเสพหาความสุขไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมลุ่มหลงบ่เอาถ้าอย่างนั้นเราก็กันไปได้ทันและอย่างนี้มันจะพอเพียงพอดีแล้วมันจะพอกันอีกเลใช่ไหมเพราะว่าถ้าขืนให้คนสนองความต้องการเขาตัวเองให้พอมันไม่รู้จักพอแล้วทีนี้มันก็แย่งคนอื่นคนอื่นก็อดใช่ไหม ทั้งทางที่เมืองไทยนี้มันพอถ้าจัดให้ดีจะพอเพียงใช่ไหมเพราะเป็นประเทศที่ไม่ได้อยากจนอะไรพื้นฐานโดยธรรมชาติก็ดีอยู่แล้วแม้แต่ว่าไม่ต้องหาอะไรมากปลูกดินเดินเองก็ขึ้นหาทำกินได้แลลวเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้ใช่ไหมเพื่อจุดหมายที่ดีเราก็แน่นอนนะครับต้องไปสอนในเรื่องเศรษฐกิจด้วยพระก็จึงต้องสอนในเรื่อง นี่แหละครับในเบื้องต้นด้วยอ้าวคุณต้องมีอุทาหนระสัมปทาถึงพร้อมในความหมั่นขยันอาลกักษสัมปทาถึงพร้อมในการเก็บรักษารู้จักประหยัดรู้จักออมแล้วกับสกลยาณมิตรตารู้จักคบหาคนที่จะมาเกื้อนหนุนการดําเนินชีวิตที่ดีในการประกอบอาชีพที่ดีงามและส ม, มชีวิ ต, ตาดจำนวนชีิตพอดีไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟืดเครื่องเกินไปพอได้อย่างนี้หลักฐานเบื้องต้นทางเศรษฐกิจนี่แหละครับ ก็เอามนนุนว่าเราไม่ใช่เพื่อจะได้กินอยู่เสบริโภคให้มันฟุ้งเฟอ้อเราอยู่ได้อย่างนี้แล้วเราก็มาพัฒนาที่ว่าเมื่อกี้อ้าวแล้วเมื่อกี้ผมตอบอะไรฮครับ <c oughs> เพราะว่าที่ทาง <c oughs> ทางแ <c oughs> ต่จังหวัดนะครับเ <c oughs> นื่องจากที่บอกมีการซื้อเสียงได้อ <c oughs> เพราะว่าเห็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยฐานะของประชาชนเองเนี่ยก็ยังยากจนทีนี้ถ้าพัฒนาการศึกษาอย่างเดียวเนี่ย ก็ก็เลยก็เลยจะเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าต้องพัฒนาเศรษฐกิจก่อนหรือว่าจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจคู่คู่ไปด้วยหรือเปล่าครับโอ้มันไปก็ไดกันแล้วง่ายมากสำหรับเมืองไทยเนี่ยถ้าเมืองฝรั่งยังยากกว่าเลยฝรั่งสมัยก่อนเนี่ยอู้เขาแรนแคลนลาบากยากเย็นใช่ไหมต่อสู้มาขาดแคลนหเขาเดือดร้อนมีประสบการณ์ในการต่อสู้มา ไทยก็บอกแล้วในน้ำมีปลาในนามีข้าวแทาไม่ต้องทำอะไรก็กินอยู่ได้แล้วแต่ที่มันฝืดเคืองนี้เพราะมันพัฒนาผิดมันไปมุ่งความฟุ้งเฟอ้อจะเอาเพื่อตอนเองไม่รู้จักพอนี่แหละครับก็เลยไม่ได้เรื่องอย่าไปคิดว่าประชาชนยากจนยากจนไปติดคอนเซป t นี้ไม่ได้คนไทยเนี่ยจนเพราะไม่พอเนี่ยเยอะแล้วก็จนเพราะไม่รู้จัก กินจนพอไม่รู้จักกินมันก็เลยไม่พอถ้ารู้จักกินมันก็พอแล้วก็บางทีก็เลยไม่รู้จักทําอีกด้วยนะเช่นคนที่เอาแต่หากินไม่รู้จักทํากินนี่ก็พวกหนึ่งมีนะครับคนไทยไม่น้อยเลยเอาแต่หากินแต่ไม่รู้จักทํากินต้องรู้จักทํากินต้องเน้นทํากินนี่เมืองไทยละเนี่ยไอพื้นฐานเช่นภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมธรรมชาติเนี่ยมัน ด, มนดีมันเอื้ออยู่แล้วถ้ารู้จักทํากินเนี่ยจะตั้งตัวได้ดีนี่คนจํานวนมากของเราเวลาเนี้ยกาลังเสียนิสัยจะหากินท่าเดียวหนึ่งหากินจากทรัพยากรที่มีอยู่แล้ววันวันหนึ่งก็ไปหาของที่มันสําเร็จจากธรรมชาติแล้วก็เก็บมาธรรมชาติก็ถูกเก็บถูกลิกรอนมันก็แย่ธรรมชาติทรัพยากรที่มีอยู่ก็ร่อยหลอถูกไหม ไม่ทําไม่สร้างสรรค์สองหากินซับซ้อนเข้าไปอีกระบบการเมืองที่มันร้ายนี่ก็เลยไปหากินโดยที่ไปรอหาจากไอการอ่อยเหยื่อของพวกที่ไปให้เหยื่ออีกพวกนี้ก็ได้ท่าทีพระพวกนั้นชอบหากินนี่ก็เลยเอาเป็นเหยื่อได้ง่ายอีกเลยสมคบกันทําลายประเทศชาติเลยเพราะฉะนั้น พัฒนาในทางเศรษฐกิจไม่ใช่พัฒนาแค่ว่าไปให้เขามีกินนะต้องให้เขารู้จักทํากินพัฒนาให้เขาทํากินในเรื่องใหญ่มากหนึ่งไม่ใช่ไปแค่ไปเก็บของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วทําลายหมดไปผมไปเจอได้ตนเองครับเราไปอยู่ในชนบทไปพักในถิ่นห่างไกลชายแดนใกล้ๆชายแดนก็เห็นสภาพประชาชนคนแนั้นก็กระโนกัน เขาก็บ่นกันเองคนจำนวนน้อยก็จะบน่นถึงคนจำนวนมากว่าพวกผมนี่ถิ่นอย่างนี้พัฒนาไม่ขึ้นเขาว้าเขาเองนะเราก็เล่าให้เราฟังเช่นว่าอา้าหมู่บ้านหนึ่งทำไม่ท่อน้ำไม่มีน้ำจะใช้ท่านหูหวังดีก็ไปต่อท่อมาจากน้ำตกอุตสาห์ทำท่อมาไกลถึงหมู่บ้านชาวบ้านอื่นๆทั่วไปนะ่ยพอไปเจอพวกท่อนี่ก็มีอะไรก็ทบ ท่อมันก็แตกใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยแล้วมาจะไปแก้กันยังไงหวาดไหวของส่วนรวมมันต้องช่วยกันรักษาแค่นี้ก็ไม่เอาแล้ะถ้าเป็นกันอยู่อย่างนี้ก็จบที่หนึ่งมีพระองค์หนึ่งนตั้งใจไปช่วยชาวบ้านให้ทำมาหาเลี้ยงชีพช่วยแม้แต่การหาทางวิธีทำมากินวิธีประกอบอาชีพในที่สุดท้อเลืกขอออกจากหมู่บ้านไม่ไหวสู้ไม่ไหวกลับ อันนี้ต้องมองสองทางด้วยแม้แต่คุณภาพในการสร้างเศรษฐกิจของตัวเองทงั้งที่พื้นฐานดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวอยู่แล้วเนี่ยก็ยังทําไม่ได้นั่นเราจะไปออเอาใจชาวบ้านเกินไปก็ไม่ถูกนะะแล้วก็ลักษณะลัทธิพึ่งพาก็คือว่าเพราะบางทีเราไม่ได้หวังดีต่อเขาจริงต้องการเอาเขาเป็นเครื่องมือเราก็ไปช่วยด้วยเจตนาที่เอาเขาเป็นเครื่องมือ ทำให้เขาเกิดนิสัยในการพึ่งพาต่อไปก็ทาอะไรเองไม่เป็นก็หากินโดยวิธีรอให้เขามาให้ฝ่ายหนึ่งก็ให้ฝ่ายหนึ่งก็คอยหาถ้าอย่างนี้ก็ไปไม่รอดเหมือนกันต้องพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการทำกินบอกเราประเทศไทยทุนดีมีอยู่แล้วถึงกับพูดว่าในน้ามีปลาในนามีข้าวเราทำไงจะให้ตัวเนี้ย มันคงอยู่ด้วยดีโดยที่เรามีส่วนร่วมในการทำในการรักษาด้วยแล้วอันนี้มก็จะมาเป็นทุนคนไทยเนี่ยในแง่เศรษฐกิจเนี่ยมันก็พร้อมอยู่แล้วนะโดยทั่วไปมันก็เกือบจะพร้อมอยู่แล้วที่จนไม่มากเท่าไหร่ถ้าไปเทียบประเทศอื่นเราลองไปเทียบประเทศอินเดียสิคนไทยที่ว่ายากจนเนี่ยเราบอกยากจนต้องไปทาให้ดีก่อนเราบอกอย่างนั้นคนไทยขนาดยากจนเนี่ยเราไปเทียบอินเดีย ไปดูสิครับอยู่ได้วันละหนึ่งูปีลูปีหนึ่งเดี๋ยวนี้ถูกกันหนึ่งบาทอีกแล้วเขาอยู่ได้ยังไงถ้าอยู่อย่างเราเขาอยู่ไม่ได้แต่ทาไมเขายังอยู่ได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าจะปล่อยให้อยู่อย่างนั้นนะเพราะาเขาขอทานมากเหลือเกินอยากเราไปนมัส ก, การสังเวยชนิยสถานเนี่ยพอไปลงที่ไหนก็กลุ่มขอทานรออยู่แล้วก็รูเข้ามาเลย เราต้องเทียบว่าเรานี่ยังดีกว่าอินเดียมากมายต้องปลุกใจกันให้มีกำลังใจอย่านึกว่าเรายากจนเราจนเพราะไม่รู้จักพอก็มีจนเพราะไม่รู้จักทากินก็มีแล้วก็อย่างที่ว่าถ้าเราสร้างแต่นิสัยหากินแล้วรอความช่วยเหลือหวังผลประโยชน์จากภายนอกอย่างเนี้ยไปไม่รอดจะสร้างสังคมที่ดีไม่ได้ก็เอาละเราก็ต้ตรวจดูนะ เศรษฐกิจเพียงพอไหมเพื่อสนองจุดหมายที่ดีแล้วก็พัฒนาแต่ว่าความตระหนักรู้นี้ทําได้อยู่แล้วอย่างพระเนี่ยเมื่อเราอยู่ในชนบทต่างๆพระแม้แต่รู้แค่นี้ก็บอกชาวบ้านได้แล้วบอกโยมประชาธิปไตยไม่มีอะไรมากหรอกเป็นการปกครองที่ถือว่าดีที่สุดเท่าที่มนุษย์ในปัจจุบันในคนคิดมาได้ว่าจะช่วยให้บรรลุจุดหมายการปกครองเพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนร่วมกันเท่านี้ ทีนี้เราจะเลือกได้คนยังไงที่จะไปทําให้อันนี้สําเร็จให้ได้ประโยชน์สุ ข, ของประชาชนเราก็จะได้ก้าวหน้าไปอีกแล้วเราก็ต้องช่วยกันนะั้นทําหากินทํากินเป็นแล้วก็เราจะได้ช่วยกันสร้างสารประเทศแล้วเราเลือกคนดีเข้าไปปกครองเราไม่เห็นกเกษตรบริโภคทีนี้ถ้าเราแม้จะมีกินพอสมควรพอเพียงแต่มันเห็นกเกษตรบริโภคมันก็ล่อเยือยได้อีกไม่มีทางพ้นหรอกมันก็กลายเป็นไปสมคบกับพวกนั้นอีก มันก็ไปไม่รอดอินเดียนี่กลายเป็นว่าในแง่การปกครองประชาธิปไตยกลายเป็นเหนือเรานะทั้งๆที่เป็นประเทศที่โดยทั่วไปและประชาชนยากจนอย่างยิ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเลยแล้วประชาธิปไตยนั่นก็อยู่ได้ดีพอสมควรทนั้นก็ต้องบำรุงกําลังใจว่าคุณไม่ได้จนอย่างชาวอินเดียทําไมเขาอยู่ได้ แล้วเราก็ไม่ได้จนอย่างอเมริกันเมื่อยุคแรกสร้างตัวเราเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวเป็นแต่เราเนี่ยจะทํานาให้มันไม่มีข้าวคนไทยจะเก่งว่าเดิมในน้ำมีปลาในนามีข้าวจะเก่งในการทําใ ห, หา้ในน้ําไม่มีปลาจะเก่งในการทําให้น้ําหมดปลาในนาหมดข้าวเออแค่รักษาให้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวก็รักษาไม่ได้ บอกยานะญาติโยมอย่าทําให้ในน้ําหมดปลาในนาหมดข้าวเวลานี้มันกําลังจะทําอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ปลามันอาศัยไม่ได้ในแม่น้ําหลายแม่น้ําแล้วเป็นอันว่าเราทุนดีก็อเมริกันแล้วทําไมมาแพ้เขาอเมริกันนี่มันคติฟรอนเทียที่นี่อยู่ไม่ได้ความหวังอยู่ข้างหน้าต้องไปข้างหน้าท่าเดียว นี่คือคติอเมริกันสร้างประเทศมาสามร้อปีอเมริกันอยู่ด้วยคติฟรอนเทียไทยอยู่ด้วยคติในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวของไทยบอกว่าที่นี่ดีแล้วไม่ต้องไปไหนในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวของอเมริกันคติฟรอนเทียบอกที่นี่อยู่ไม่ได้ตายแน่จะอยู่ได้ต้องปล่อยคณะต้องบุกไปล่อหน้าเขาบอกว่าสามรอปีปีละสิบใหม่โดยเฉลีย่ย จากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกอเมริกันก็บุกเบิกฟาฟรอนเทียขยายฟรอนเทียไปสามร้อยปีปีและเฉลี่ยสิบไม่สามร้อยปีก็ได้สามพันไม่สี่พันแปดอยกิโลเมตรจากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกบอกว่า the closing of the frontier แปลว่าปิดพรมแดนได้เนี่ยอเมริกันได้สร้างนิสัยะจนภัยบึกบุญ เข้มแข็งต่อสู้บุกฝ่าไปข้างหน้าเนี่ยชอบระจนภัยเนี่ยอเมริกันสร้างนิสัยนี้มาเนี่เราได้คติจเขาสิของไทยเราพอในน้มีปลาในามีข้าวเลยประมาทสบายสวยความสุขเลยไม่อยากทำอะไรแต่ฝรั่งก็ฟรอนเทียมมันบีบให้อยู่นิ่งไม่ได้ก็เลยต้องขยันไม่ประมาทเพราะมันถูกบีบก็เลยเป็นเพราะธรรมชาตินั่นเอง ของเราธรรมชาติเอื้อกับประมาทของเขาธรรมชาติมันบีบก็เลยบุกฝ่าไปทําไงเราจะอยู่ได้ปัญญาไม่ประมาทด้วยสติปัญญานี้คือการพัฒนามนุษย์คือมนุษย์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของปุตุชนเมื่อถูกทุ ก, กบีบคั้นภยัยคุกขามก็ลุกขึ้นดิ่นหลนขนขวายมันจะตายมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมดิ่นเหมือนอย่างอเมริกันยุคแรกฟรอนเทียขึ้นฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนี่ อยู่ได้นิดเดียวเอาเอาพวกพินกลิมก็แล้วกันเอาชุดนี้เป็นหลักก็ขึ้นมาเท่าไรประมาณร้อยสองคนปีแรกแทบจะตายเกือบหมดอ่ะดีว่าอินเดียนแดงมาช่วยหนาวแล้วก็อดอยากประมาณกลิกหนึ่งตายก็ขึ้นแถว England, นิวอิงแลนด์นี่พรีมัตนะ์่ะหนาวอันนี้ก็อินเดียนแดงนี่แกมาบอกวิธีทรมาหากินวิธีจับปลายอะไรท่นั้น เลยอยู่ได้พอปีแรกผ่านไปก็ฉลองด้วยการกินเตอร์กี้อะไรนะไก่งวงนี่แหละก็เรียกว่าแซงกิฟวิงเดย์วันแซงกิฟิงนี่เป็นวันพิเศษของคริสต์แต่ว่าเกิดในอเมริกาก็ผ่านปีแรกไปเป็นว่าอเมริกาเนี่ยก็อยู่แค่นั้นะมีที่นิดเดียวเขาก็คิดว่า เขาจะมีความสุขความเจริญมีกินมีใช้เนี่ยเขาต้องขยายดินแดนเขาก็เรียกยุคต่อจากนี้ไปว่ายุค frontier expansion การขยายพรมแดนจิตใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา300อปีที่บุกฝ่าไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเรียกว่า frontier mentality สภาพจิตแบบ frontier นี่แหละครับอเมริกัน ก็คืออยู่ที่นี่ไม่ได้ตายแน่ต้องไปข้างหน้าเขาก็บุกมาก็ประสบความเจริญก้าวหน้าสําเร็จอเมริกันจริงฟรอนเทียหมดมองเป็นฟรอนเทียหมดไปอวกาศก็ก Space Front ทียแล้วก็มาอิเล็กทรอนิกส์ฟรอนเทียไซเบอร์สเปซฟร r นเทียฟรอนเทียออฟไเป็นพรมแดนแห่งวิชาการมองเป็นฟรอนเทียหมด ก็คือจิตใจที่จะบุกฝ่าไปและฟรอนเทียเดิมปิดไปแล้วคือขยายดินแดนในฟังก็มีแลนฟรอนเทียจบก็ไปมีซีฟรอนเทียนะเขาต่อจากแลนฟรอนเทียเขาไปซีฟรอนเทียก่อนที่จะมาถึงพวกสเปซฟรอนเทียอิเล็กทรอนิก r o ฟรอนเทียไซเบอร์สเปซฟรอนเทียแล้วฟรอนเทียออฟไซส์นี่ก็มีมาคู่คกันด้วย อย่างประธานาธิบดีเคนเนดีหาเสียงตอนนั้นก็สร้างคติ New Front ทียเคนเนดีนี่หาเสียงด้วยคติ New Front ทียให้คนอเมริกันเนี่ยสร้างพรมแดนใหม่ก้าวไปในพรมแดนใหม่มาปลุกใจอเมริกันนะคำว่าฟรอนเทียนี่มีความหมายมากสำหรับคนอเมริกันมันลึกซึ้งลงไปในจิตนี่คนไทยเราทําไงจะใช้คติ การที่ตัวเองในน้ำมีปลาในนาำมีข้าวเนี่ยให้มันได้ประโยชน์ว่าในแง่เศรษฐกิจทุนของเราเนี่ยดีแล้วทําไงจะเอามันเป็นปัจจัยสร้างสรรค์ความเจริญแทนที่จะมาหมกมุ่นเสวยผลกินบุญเก่าคล้ายๆในน้ำมีปลาในนาำมีข้าวเป็นของดีมีนาตาเดินไปบุญเก่าก็กินมันเข้าไปเสวยผลบุญเก่าเลยไม่ต้องทําอะไรก็เลยกลายไปว่าสังคมไทยเป็นสังคมเสวยบุญเก่าหรือสังคมกินบุญเก่า ถ้าว่าแรงไปก็จะถือกันนะจะได้ไม่ประมาทแต่ว่าท่านเห็นด้วยไหมค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นเลยตกอยู่ในความประมาทนั้นต้องคิดให้ดีพัฒนามนุษย์ตั้งแต่เศรษฐกิจในน้ามีปลาในนามีข้าวก็บอกเอาแล้วนะอย่าให้ในน้ำหมดปลาในนาหมดข้าวมาช่วยกัน ร, รักษาไว้แล้วก็ใช้ทุนนี้มาเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ ชีวิตที่ดีงามให้เป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงพอเพียงเพื่ออะไรนะมันต้องไม่ใช่จบแค่ว่าพอเพียงพอเพียงพอเพียงเพื่ออะไรนี่คือคําถามที่ยิ่งใหญ่เลยครับพอเพียงมันไม่ได้จบเท่านั้นคําว่าพอเพียงนี่ยมันต้องมีต่อว่าเพื่ออะไรไม่ใช่พอเพียงเพื่อมีชีวิตอยู่ได้รอดพอเพียงเพื่อมีชีวิตที่ดีงาม เพื่อเจริญใจศึกษาพัฒนาชีวิตทําสังคมของเ ร, เราให้ดีงามขึ้นไปไม่ใช่มเมาเศรษฐกิจแปนจุดหมายแล้วก็มุ่งมัวเมาเสพหาความสุขลุ่มหลงกันอยู่นี่ไม่ใช่อย่างนี้อย่างเงี้ยเข้าคติพุทธศาสนาหมดเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเและตอนนี้เป็นปัจจัยที่พอเพียงก็นี่แหละเป็นปัจจัยปัจจัยที่พอเพียงพอเพียงเพื่ออะไร ปัจจัยก็ต้องเพื่ออะไรนะแล้วจุดหมายนั่นก็มาตอานี้เราก็ตอบได้หมดแหละสองชั่วโมงแล้วท่านเตือนแล้วเตือนอีกเนี่ยเรื่องใหญ่เอาช่วยกันนะคนไทยต้องปลุกใจกันนะชาวบ้านนี่แหละครับถ้าปลุกขึ้นมาแล้วก็เห็นแนวทางที่ดีมีสมมาธิติความเข้าใจถูกต้องแล้วญาติโยมชาวบ้านนี่แหละจะเป็นกำลังสําคัญของประเทศชาติทแท้จริงเลย แล้วก็ทําไปก็เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนนี้แหละนั้นก็มาช่วยกันเถอะว่ากันแรงๆบ้างนะบางทีก็ต้องขออภัยต้องว่ากันแรงๆเมื่งนั้นเราก็ไม่ตื่นก็นี่แหละต้องการมองให้ครอบให้คลุมให้หมดก็ราะมันใช้พัฒนาชีวิตเราเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าก็เพื่อผู้ชนะสิตายผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมบะยะบรรลุนิพพานก็เพื่อทําการเพื่อโลกถ้าจะได้พร้อมไปทําประโยชน์ให้แก่โลกได้ แล้วท่านไม่มีบ่วงรัดตัวเองเลยถ้าท่านถึงนิพพานท่า น, นจะทมเพื่อประชาชนไม่มีบ่วงรัดเลยสบายอ้าวอ า, อาแล้วครับโพทนา